สิ่งที่ผู้นับถือศาสนาพุทธถือพระรันาตนตรัยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเป็นครูเป็นอาจารย์จะได้รับที่ผู้ที่ไม่ได้ถือนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ถือพระรันาตนตรัย เป็นที่เพิ่งเป็นคู่เป็นอาจารย์คืออะไรก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งที่ไม่มีศาสนาใดที่ไม่มีคำสั่งสอนของผู้ใดจะมีนอกจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะ ไม่มีใครจะมีความสามารถที่จะรู้ที่จะเห็นมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนี้ได้และหลังจากที่พระองค์ ได้ส่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานนี้แล้วพระองค์ก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรมน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติก็สามารถบรรลุ ถ, ถึง มรรคผลนิพพานได้นี่คือสิ่งที่ไม่มีศาสนาใดไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะพาให้ผู้นับถือศาสนานับถือคำสอนได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะศาสดาของแต่ละศาสนาหรือของแต่ละคำสอนไม่มี ใครรู้จักมรซีพผลซีนิพานหนึ่งนี้ไม่มีใครรู้จักมรพผล น, นิพานรู้แต่ทำระดับโลกียะคือสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมเป็นต้นแต่จะไม่รู้จักโลกุตรธรรมธรรมที่อยู่นอกวงจรของ โลกิยะธรรมคือธรรมที่เหนือโลกโลกุตละแปลว่าเหนือโลกธรรมที่ไม่ติดอยู่กับโลกโลกคือโลกิยะโลกิยะก็คือโลกแห่งการเวียนร่ายตายเกิดสังสารวัตที่สัตว์โลกทั้งหลายยังติดกันอยู่และจะไม่มีวันเล็ดลอดออกจาก โลกของสังสารวัตนี้ได้จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเป็นผู้สั่งผู้สอนให้เดินออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโลกแห่งโลกียะเพื่อให้เข้าสู่โลกแห่งโล ก, กุตตระ คือให้เข้าสูม่มรรคผลนิพพานที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิดไม่มีคำสอนใดไม่มีผู้ใดในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถค้นพบมรรคผลนิพพานได้ด้วยพระองค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรง ตัดสรุมรรคผลนิพพานนี้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุมรรคผลนิพพานแล้วพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีโอกาสมีสิทที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน ได้หลุดพ้นออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนา<ม>ความวิเศษของพระรัตนตรยัยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าเป็นที่พึ่งสูงสุดของโลกเพราะไม่มีที่พึ่งต่างๆในโลกนี้จะสูงเท่ากับพระ รัตนกายได้ mm. เพราะที่พึ่งต่างๆทางโลกของของโลกนี้พาให้สัตว์โลกไปได้แค่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นแต่ไม่สามารถพาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะสวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน คือมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมต่อให้ได้บําเพ็ญจนไปถึงขั้นสูงสุดของโลกียะคือขั้นพรหมโลกก็ต้องเสื่อมลงมาหลังจากที่ได้ไปใช้บุญที่ได้ส่งไปถึงนั้นถึงสวรรค์ชั้นนั้นก็จะเสื่อมลงมาตามลําดับจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ จากสวรรค์ชั้นเทพก็จะลงมาสู่พบของมนุษย์แล้วก็ต้องมาทำบุญทำบาปกันใหม่แล้วถ้าเกิดไปทำบาปมากกว่าได้ทำบุญแทนที่จะได้กลับขึ้นไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็จะต้องลงไปสู่อบายชั้นต่างๆที่มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันคือเดละชานเฟรตอสุรกาย แล้วร ก, กแล้วหลังจากที่ได้ใช้บาปที่ได้กระทําไว้ไปหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะกลับมาทําบุญทําบาปใหม่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ผู้สั่งผู้สอนเวลามาเกิดนี้ถ้าไปเกิดอยู่ในครอบครัวที่รู้จักบุญจากบาป ก็จะสอนให้ทำบุญสอนให้ละบาปสอนให้นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็จะสามารถเก่าขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมได้แต่ไม่มีใครจะสอนให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้จนกว่าจะได้มาเกิดในตระกูลของพระพุทธศาสนา ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอย่างประเทศไทยและมีครอบครัวที่เป็นชาวพุทธที่คอยพาไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้จาก เรียนรู้เรื่องมรรคผลนิพพานเรียนรู้เรื่องของการดุจออกจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะสามารถพบมรรคผลนิพพานพบทางไปสู่มรรคผลนิพพานพบผู้ที่จะทิศทางไปสู่มรรคผลนิพพาน ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครชี้บอกทางให้ไปสู่มรรผลนิพพานได้จะบอกได้เพียงให้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นอย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงประทรงออกบวชสมัยนั้นไม่มีใครรู้จักมรรคผลนิพพานรู้เพียงแต่สวรรค์ชั้นพรหม ที่เกิดจากการรักษาศีลและนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าก็ไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิแล้สามารถส่งจิตให้ไปถึงสวรรค์ชั้นพรมได้แต่สวรรค์ชั้นพรมนี้ก็ยังมีความทุกข์อยู่เวลาจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ก็ทำให้เิตเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้อยู่นะก็ทรงเห็นว่ายังไม่สำเร็จยังไปไม่ถึงจุดที่พระ อ, องค์ต้องการที่จะไปคือจุดที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยนะพระ อ, องค์ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระ อ, องค์เองว่า อะไรทำให้พระองค์ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไปเป็นพรมเวลาหมดบุญก็เสื่อมลงมาเป็นเทพหมดบุญก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์กลับมาเกิดใหม่ถ้าทาบุญรักษาถ้าทาบุญทาทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิก็ยังจะไปไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เพราะธรรมเหล่านี้ที่ทรงปฏิบัติยังเป็นโลกียธรรมอยู่ไม่ใช่เป็นโลกุตระธร ร, รมนะโลกุตระธรรมที่จะทรงให้จิตได้เข้าสู่มัคคุปนิพานนี้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยต้องเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาโลกุตระธรรมด้วยพระองค์เอง ศึกษาค้นคว้าหาทางที่จะทําให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปด้วยความพยายามอันสูงสุดด้วยความอดทนอันยิ่งใหญ่ด้วยพระปัญญาที่แก่กล้าจึงทําให้พระองค์ในที่สุดได้ทรงค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยพระองค์เอง เรียกว่าทรงตัดสู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบคือรู้อย่างถูกต้องแม่นยาด้วยพระองค์เองว่าการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากอะไรและการที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้นี้จะต้องยุติได้ด้วยอะไรก็คือได้ทรงค้นพบ ศัสตร์จรรความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่เราเรียกว่าอาริยศาสตร์สี่สงคนพบว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์และก็เกิดจากตัณหาความอยากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจสามประการด้วยกันคือความอยากมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณ ความอยากมีความสุขกับการได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ร่ำได้รวยได้เป็นในสิ่งที่อยากจะเป็นและความสุขที่ได้จากการกาจัดในสิ่งที่ไม่อยากจะเป็นเช่นไม่อยากจะยากจนไม่อยากจะให้เป็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างนี้ นี่คือความอยากที่ทำให้สัตว์โลกอย่างพวกเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาปจากการประพฤติของเราในชาติก่อนหลังจากที่เราได้ตายจากชาติก่อนไปแล้วก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็ไปรับ ผลบุญผลบาปที่เราได้ทำเอาไว้ในชาติก่อนก่อนถ้าเป็นบาปถ้าเราได้ทำบาปมากกว่า บ, บุญเราก็ต้องไปใช้บาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกพอใช้บาปหมดแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมา ทำบุญทำบาปใหม่นี่คือสาเหตุที่ทำให้เรามาเกิดก็เพราะว่าเรายังอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นเองทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องมีร่างกายเพราะร่างกายนี้จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายให้เราได้ เสกับรูปเสียงกดลิ่นรสผลถ้าพระชนิดต่างๆนั่นเองนะมีสิ่งที่เราอยากจะได้กันก็คือราบยศสรรเสริญอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้มีคนเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญเยินยอนี่คือความอยากที่พาให้ดวงจิตของพวกเรา ดวงวิญญาณของพวกเราหลังจากที่ไปใช้ผลบุญผลบาปแล้วก็จะกลับมาเกิดมีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหาความสุขตามความอยากทั้งสามประการนี้ด้วยวิธีการต่างๆบางทีก็หาโดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปบางทีก็ต้องหาโดยวิธีที่ต้องทำบาป แล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีความเมตตามีความคิดที่ดีก็อาจจะได้ทําบุญหรืออาจจะได้ไปพบกับผู้ที่สอนให้ทําบุญว่าทําแล้วตายไปจะได้ไปสวรรค์ก็อาจจะมีความเชื่อที่จะทําบุญและอาจจะละบาป ไม่ทำบาปในการที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ก็ไม่มีใครที่จะสอนให้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าการมาเกิดนี้มาเกิดได้อย่างไรและไม่มีใครรู้ว่าการที่จะยุติการกลับมาเกิดนี้จะยุติได้อย่างไร ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนจะไม่มีใครรู้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกเราก็จะได้เห็นเรื่องอริยสัจสี่กันเรื่องทุกข์สบุษยไทยนิโรธมรรคเรื่องทุกข์คือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องสมุไทยก็คือต้อนเหตุของการมาเกิดมาทุกข์กันก็คือตัณหาความอยากทั้งสามประการความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ลาบยศสรรเสริญและความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไปอันนี้แหละเป็นตัวที่จะทำให้สัตว์โลกต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าจะไม่อยากจะกลับมาเกิด ก็ต้องหยุดความอยากทั้งสาประการนี้และอะไรที่จะทำให้หยุดความอยากทั้งสาประการนี้ได้<ม>พระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบว่าคือมรมรคือทางเดินสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทางเดินสู่มรผลนิพพานนี้เองก็คือมรมรกกคือการบาเพ็ญ บำเพ็ญความดีงามต่างๆคือการทำบุญทำทานและและการกระทำบาปทั้งปวงและชำระความอยากทั้งสามนี้ให้หมดออกไปจากใจให้ได้ด้วยการบําเพ็ญจิตตะภาวนานอกจากการนั่งสมาธิแล้วยังต้องเจริญปัญญาอีกขั้นหนึ่งถึงจะสามารถ ทำให้จิตหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในสิ่งที่โลกนี้ไม่มีในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าอะไรคือปัญญาของพระพุทธเจ้าก็คือการเห็นอริยสัจสีนี่เองการเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธบังจึงไม่มีคําสั่งสอนของศาสนาใดาของ ของรับที่ใดที่จะสอนอริยสัจสี่กันเพราะไม่มีใครรู้กันไม่มีใครรู้ความสำคัญของพระอริยสัจสี่ที่มีต่อสัตว์โลกมีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เห็นความสำคัญของการเข้าถึงพระอริยสัจสี่เพราะเมื่อเข้าถึงพระอริยสัจสี่ก็จะเห็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลาย ได้เห็นเหตุที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าหลังจากที่เห็นอริยสัจสีแล้วพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์ได้เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ทำให้พระองค์กลับมาเกิดก็คือความอยากต่างๆพระองค์ก็ทรงรู้ว่าสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ ก็คือการบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทานก็คือสะละราชสมบัติศีลก็คือบวชการถือศีล น, นี้ก็คือศีลของนักบวชนั่นเองศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี้ไม่ใช่เป็นศีลของนักบวชศีลห้านี้เป็นศีลของผู้คลองเรือนยังไม่มีกำลังพอที่จะทรงจิต ให้เข้าสู่การบำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมาธิและปัญญาได้ต้องมีศีลแปดขึ้นไปหรือมากกว่านั้นนอกจากศีลแปดก็มีผู้ถือศีลสิบคือสามเณรมีผู้ที่ถือศีลสองรอยยีิบเจ็ดคือพระภิกษุและมีผู้ที่คอยถือศีลสามร้อยกว่าข้อคือภิกษุณี บุคคลเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่มีพลังกำลังที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมณภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาพอได้บำเพ็ญถึงขั้นวิปัสสนาภาวนามื่อหลายแล้วก็จะเข้าถึงพระอริยสัจ ส, สี่ ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพอไม่มีความอยากแล้วก็เหมือนรถที่ไม่มีน้ำมันรถที่ไม่มีน้ำมันก็วิ่งต่อไปไม่ได้จิตที่ไม่มีน้ำมันที่จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพะน้ำมันนี้ได้ถูกกําจัดไปหมดจาก ใจแล้วก็คือตัณหาทั้งสามกามะตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาต้องกำจัดด้วยปัญญาเท่านั้นศีลกำจัดไม่ได้สมาธิกำจัดไม่ได้เพียงแต่กฎมันไว้ได้ห้ามมันไว้ได้เบรกมันไว้ได้ศีลก็เบรกตัณหาความอยากไม่ให้ไปเที่ยว ไม่ให้ไปหาความสุขต่างๆ ต, ตามความอยากแต่เพียงแต่ห้ามปรามเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำลายความอยากได้สมาธิก็เช่นเดียวกันไม่สามารถทำลายความอยากได้ทำได้เพียงแต่หยุดความอยากชั่วคราวกดเอาไว้เหมือนกับหินทับหญ้าถ้าไม่อยากให้หญ้ามันจเจริญเติบโตก็เอาหินไปทับมัน เวลาหินทับหญ้าอยู่หญ้าก็จะเลื่องนงอกงามไม่ได้แต่เวลาที่เอาหินออกจากการไปทับหญ้าเมื่อไหร่เดี๋ยวหญ้าก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่นี่คือสมาธิเพียงแต่ทับกิเลสทับความอยากไว้เท่านั้นแต่ไม่ไม่ได้ทำให้ความอยากหมดไปจากใจผู้ที่จะทำความอยากให้หมดไปจากใจได้คือปัญญา ปัญญาที่เห็นโทษของความอยากปัญญาที่เห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากอยากได้ว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเช่นความอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ก็จะทําให้เราคิดว่าเราจะได้ความสุขไปตลอดเราจะมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์กัน แต่เราไม่มีปัญญาเรามองไม่เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผทพระที่เราอยากจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นของชั่วคราวบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอไม่ได้หรือพอมันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้า ที่สรงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนั้นเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอดได้มาแล้ววันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกันรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรเสริญเนี่ยไม่เที่ยงเพราะว่าสิ่งที่มาหา ลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมันไม่เที่ยงคืออะไรก็คือร่างกายนี่เองที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ร่างกายมันก็ไม่เที่ยงมันจะมีวันที่มันจะไม่สามารถหาได้ทําตามความอยากได้เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาตายไปไม่สามารถที่จะหาได้ก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ใจถ้าผู้ใดมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการอยากจะได้คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในโลกนี้ว่ามันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันจะต้องหมดไป เพราะว่าเราจะไม่สามารถเก็บมันเอาไว้ให้เป็นของเราไปได้ตลอดควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไม่ได้เหมือนกับควบคุมควันไฟให้อยู่กับเราตลอดไม่ได้เราผลิตควันไฟขึ้นมาแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดพอได้ควันไฟมาเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการให้ความสุขกับเราก็เป็นเหมือนควันไฟนี่นเองคือราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่เป็นเหมือนควันไฟได้มาปั๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดจึงทำให้เราต้องหาอยู่เรื่อยๆทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรายังต้องการความสุขเหล่านี้อยู่ แต่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นความสุขที่ล่อให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่ยังไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบคือทรงเห็นอริยสัจสีคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากและทรงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิ่ง ต, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทรงเห็นว่าราบยศสตเรสลรรูปเสียงกิดลดโพธะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสมบัติของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปต้องคืนเจ้าของไปเจ้าของก็คือโลกนี้เองโลกแห่งธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ เล่นน้ำลมไฟนี้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของลาบยศสรรเสริญของลูปเสียงกลิ่นรสผลตภะของตาหูจมูกลินกายมาจากธาตุทั้งสี่นี้ทั้งนั้นจิตเพียงแต่มาอาศายัยธาตุทั้งสีน่นี้หาความสุขกับธาตุทั้งสี่นี้อยู่ชั่วคราวหาความสุขก็ จากธาตุทั้งสี่ในรูปของราบยศสันเส ร, รมิมในรูปของรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี้เท่านั้นหาได้เท่าไหร่ก็จางหายไปหมดเหมือนกับควันไฟจึงทำให้ต้องกลับมาหาอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะหาความสุขไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็พาให้ใจกลับมาหาความสุขแบบเดิมอีกกลับมาเกิดใหม่ มาเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่แล้วก็มาตายใหม่เนมันก็เป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะเห็นไตรลักษณ์จนกว่าจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้้เห็นแล้วก็จะหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆหยุดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสปวทา่าฟาหยุดความอยากได้ลาบยศสารเสริ หยุดความอยากที่จะไม่ให้ลาบยศสารเสริญจากเราไปพอหยุดความอยากเหล่านี้ได้แล้วใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปใจก็จะเข้าสู่พระนิพพานการเข้าสู่พระนิพพานนี้ก็มีอยู่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนด้วยกันที่เราเรียกว่ามรสี่ผลสีนิพพานห น, นึ่งนั่นเอง ก่อนที่จะเข้าถึงนิพพานได้เราต้องผ่านมรรคสี่ผลสี่ก่อนมรรคก็คือทางเดินสู่ผลมรรคนี้ก็มีอยู่สี่ขั้นเหมือนกับอาคารที่มีสี่ชั้นการที่เราจะขึ้นสู่อาคารชั้นที่หนึ่งได้เราก็ต้องเดินขึ้นบันไดหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องขึ้นลิฟต์การเดินขึ้นบันไดหรือการขึ้นลิฟต์ไปสู่ชั้นต่างๆนี้เราเรียกว่ามรรค การที่เราจะไปสู่โลกุตละธรรมชั้นที่หนึ่งคือชั้นโสดาบันได้เราก็ต้องเจริญมรรคของชั้นโสดาบันก่อนคือขึ้นบันไดของ<ม>ของชั้นพระโสดาบันชั้นของพระโสดาบันนี้จะขึ้นได้ก็ต้องทําลายสังโยชน้าข้อสาข้อด้วยกันสังโยชน์ก็คือเชือกที่มัด จิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเรือที่ถูกเชือกผูกไว้กับสมอเรือเรือไม่สามารถที่จะลอยไปไหนได้ถ้ามีสมอมีเชือกผูกติดไว้อยู่กับสมอถ้าเรืออยากจะลอยไปไหนมาไหนไหลไปไหนมาไหนก็ต้องตัดเชือกหรือถอนสมอขึ้นมา สังโยชน์นี้ก็เป็นเหมือนเชือกเหมือนสมอที่จะดึงจิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่ในวัฏฏะสงสารในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องละสังโยชน์สามข้อแรกถึงจะเข้าสู่โลกุตุรธรรมชั้นที่หนึ่งได้คือชั้นโสดาบันสังโยชน์ที่ทำให้ผู้ที่ ต้องการจะขึ้นสู่ชั้นที่หนึ่งนี้ที่จะต้องละคือหนึ่งสักกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสีละพัตะประมามนะวิจิกิจฉาคืออะไรคือความหลงผิดที่ไปเห็นว่าขันห้าคือร่างกายและจิตใจนี้เป็นตัวเราของเราคือ หลงว่าร่างกายที่มีอาการ32ที่ทำมาจากดื่มน้ําลมไยนี้เป็นตัวเราของเราว่ามันจะเป็นที่เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดและหลงกับความรู้สึกนึกคิดเคยความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ในใจว่าเป็นของเราว่าเราสามารถที่จะควบคุมบังคับมันได้แต่เราควบคุมบังคับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ควบคุมบังคับร่างกายให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ควบคุมเวทนาคือความสุขความรู้สึกดีความรู้สึกสบายนี้ให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เวทนามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกไปสั่งให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้ไปสั่งให้มันไม่ทุกขไม่ได้ร่างกายก็เหมือนกัน มันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ผู้ที่มีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายและเวทนาก็จะสามารถปล่อยวางปล่อยวางถันห้าได้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาได้ พอปล่อยได้จิตก็ไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปจิตก็จะได้เข้าสู่ขั้นขั้นผลขั้นที่หนึ่งคือโสดาปิผลได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้วพอเห็นเห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายที่ไม่เที่ยงมันเที่ยง ความอยากให้เวทนาที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงจึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและการที่จะดับความทุกข์ก็ต้องเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเวทนามันไม่เที่ยงไปอยากให้มันเที่ยงไม่ได้อพอเห็นอย่างนี้ก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ก็ไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาอีกต่อไปอ เพราะเห็นอริยสัจสี่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มันเที่ยงแล้วก็หยุดความอยากนี้ได้ด้วยปัญญาด้วยมรรคคือการเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงพอเห็นว่าร่างการไม่เที่ยงเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงก็ปล่อยมันไม่เที่ยงไปอย่าไปทำให้มันเที่ยง เพราะทำยังไงมันก็ไม่เที่ยมทำไปแล้วก็จะทุกไปเปล่าๆเช่นร่างกายมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปร่างกายมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปถ้าปล่อยได้ปล่อยร่างกายได้ปล่อยเวทนาได้ใจจะไม่เจ็บใจจะไม่ทุกข์ใจจะเหมือนไม่ได้เหมือนกับร่างใจจะเป็นเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่แก่ไม่ไม่เจ็บไม่ไม่มีอะไรแตกต่างกัน เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายใจก็เฉยตอนนี้ร่างกายไม่เป็นอะไรร่างกายไม่เจบ็บร่างกายไม่ตายใจก็เฉยเวลาร่างกายเจบ็บเวลาร่างกายจะตายใจก็เฉยได้ถ้าละสักายทิฏฐิได้ถ้าเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยาก <S <s <like> ให้ร่างกายที่ไม่เที่ยงมันเที่ยง อยากให้เวทนาที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเพราะเห็นด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์นั่นเองอก็จะสามารถทําให้หายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้วิจิตกิจฉาคือสังโยชน์ข้อที่สองถ้าละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้ก็จะละข้อที่สองละข้อที่สามได้ก็จะเห็นว่าเห็นว่าอ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงนั่นเองเพราะว่าเห็นอริยสัจสี่ที่พระพุทธ เ, เจ้าทรงออกมาสั่งมาสอนให้เราเห็นกันเอถ้ามีคนสั่งให้เราเห็นถ้าเราเห็นในสิ่งที่เราสักในเห็นในสิ่งที่เขาบอกเรางั้นคนที่มาบอกเราก็ต้องก็ต้องมีเอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นตัวพระพุทธเจ้าแต่เราได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคาสอน ที่สอนว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันเราเห็นมันด้วยด้วยปัญญาของเราเราก็จะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ไม่ต้องไปประเทศอินเดียเพื่อไปพิสูจน์ว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่มีพระธรรมคาสอนจริงหรือไม่มีพระอริยสงฆ์จริงหรือไม่ ถ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยรรสัจสีเห็นไตรลักษณ์ที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาแล้วจะไม่สงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงค์อีกต่อไปไม่ต้องไปอินเดียไปอินเดียก็ไม่เห็นอยู่ดีไปเห็นแต่ซากปลารักหักพังซึ่งก็ยังจะทำให้สงสัยได้ว่าซากปารัหักพังเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือไม่ แต่ถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาแล้วจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะสามารถละศีลัะพัฒาปรามาได้คือศีลัะพัฒาปรามาก็คือความลังเลสงสัยในการไม่กระทำบาปว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริง ปัญหาที่แท้จริงนี้อยู่ที่ความอยากเวลาเราไม่สบายใจนี้เราไม่สบายใจเพราะความอยากไม่ใช่เพราะว่าเราขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นขาดอาหารถ้าเราขาดอาหารถ้าเราไม่สามารถไปซื้ออาหารมากินได้เราก็อาจจะต้องไปทําบาปเช่นไปลักทรัพย์หรือไปยิงนกตกปลาเพื่อหาอาหารมารับประทานผู้ที่ เห็นเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็มาหยุดความอยากแทนยอมอดไม่ยอมไม่ทำบาปกินตามมีตามเกิดไปกินโดยวิธีที่ไม่ทำบาปหรือรักษาดูแลชีวิตด้วยการไม่กระทำบาปถ้าต้องทำบาปไม่ทำดีกว่าเพราะทำแล้วได้ไม่คุ้มเสีย ได้ชีวิตแต่ตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายเพะั้นผู้ที่มีเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ความไม่สบายใจเกิดจากความอยากก็มาหยุดความอยากดีกว่าหยุดความอยากอยากอยากกินให้มันอิ่มเมื่อมันไม่สามารถที่จะกินให้อิ่มได้ก็ยอมอดดีกว่ายอมอดดีกว่าที่จะไปลักขโมยไปทำบาป ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเพื่อเป็นอาหารก็จะละศีลัะพัฒปรมาได้คือความเคลือบแคลงสงสัยในการไม่กระทำบาป ว, ว่ามีประโยชน์กับจิตใจอย่างไรหรือการไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสะดเดาะเคราะห์ก็อยู่ในศีลละพันปรมานี้คิดว่าเวลาไม่สบายใจเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยะจะไปผ่าตัด อาจจะต้องไปหาหมอดูก่อนให้หมอดูช่วยวิเคราะห์ว่าทำยังไงถึงจะหายหมอก็บอกว่ า, าให้ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมหรือไปบูชาอะไรต่างๆบูชาลาหุนทำพิธีกรรมต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกำจัดความไม่สบายใจ วิธีกำจัดความไม่สบายใจก็ต้องไปหยุดที่ความอยากหาสาเหตุให้เจอว่าเราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายใช่ไหมแล้วเราห้ามมันได้ไหยเรื่องของความเจ็บความตายถ้ามันจะเจ็บมันจะตายเราห้ามมันได้หรือเปล่าถ้าห้ามไม่ได้เรายอมเจ็บยอมตายเราก็หายเราก็หายทุกแล้วไม่ต้องไปสะเดาะขอให้มันเสียเวลา ถ้าเขาทำพิธีกรรมต่างๆมันก็หนีไม่พ้นจากความเจ็บความตายอยู่ดีมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าเรายอมเจ็บยอมตายแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปกับความเจ็บกับความตายนี่ก็คือการละสัมโยน์ถามข้อที่เรียกว่ามรรคการเจริญมรรคสวสดาปฏิมรรคก็คือการละ ละส ก, กายาเทติละวิจิตกิจชาความสงสัยใน พ, ธพธรพ ะ, ะพุทธธรรมพระสงค์ละศีลพัตการามาตความลังเลสงสัยในเรื่องของการรักษาศีลของการไม่ทำบาปของการไม่ไปทำพิธีเสด็จเคาะกรรมต่างๆว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจนี้ต้องใช้ปัญญา วิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจว่าคืออะไรแล้วไปละสาเหตุนั้นคือความอยากต่างๆเมอละความอยากต่างๆได้ก็จะหายทุกข์เะพราโสดาบันไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี้ไม่ต้องไปทําพิธีเสดาจเคระาะห์ต่างๆไม่ต้องไปไหว้เจ้าไหว้เซียนไหว้ y อะไระ ว่ายมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บความตายแต่มากําจัดความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายดีกว่าพอกําจัดความอยากไม่เจ็บไม่ตายได้ความไม่สบายใจก็หายไปเจ็บได้อย่างสบายตายได้อย่างสบายนี่ก็คือตัวอย่างของการเจริญมากเพื่อให้ได้ผลขั้นที่หนึ่งคือโสดาปฏิมาโซดาปฏิผล ถ้าละสังโยชน์สามข้อได้ก็คือละสักกายทิฏฐิความหลงผิดที่ไปคิดว่าร่างกายกับเวทนานี้เราสามารถสั่งมันได้เราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้มันไม่เที่ยงพอเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็ไม่สั่งมันยอมให้มันไม่เที่ยงไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไป ใจก็จะหายทุกข์ไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายต่อไปเวลาไม่สบายใจก็ไม่ไปทําบุญเสดาะเคราะห์ไปหาพิธธรรมพิธีกรรมสเสดเาจเคาะต่างๆเวลาไม่สบายใจก็มาค้นหาสาเหตุของความไม่สบายใจว่าเกิดจากอะไรเกิดจากความชนิดความอยากชนิดไหนอยากให้หายเจ็บใช่ไหมพอไม่หายเจ็บก็ทุกข์ พอรู้ว่าความเจ็บนี้ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปก็ไม่ต้องไปทําพิธีหยุดความอยากให้มันหายเจ็บพอหยุดได้ปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปความเจ็บก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องเล็กน้อยไปดวที่เป็นเรื่องใหญ่โตไม่ใช่ความเจ็บแต่ความทุกข์ใจความทรมานใจที่เราสามารถกําจัดได้ด้วยปัญญาะ ด้วยปัญญาก็คือมรคนี้เองการใช้ปัญญาก็คือการเจริญมรพอเราได้มรได้ผลขั้นที่หนึ่งเราก็ต้องขึ้นสู่ชั้นที่สองก็ต้องมีบันไดที่จะเดินขึ้นสู่ชั้นที่สองมรชั้นที่สองก็คืออะไรก็คือการละการมราคะการทำให้การมราคะและปฏิฆ ะ, อะสองอย่างนี้เบาบางลง ทำให้เบาบะอะไรคือกามาราคะก็คืออารมณ์อยากจะเสพกามโดยเฉพาะการร่วมหลับนอนกันเรียกว่ากามราคะพออยากจะมีความเสพกามขึ้นมาได้ไม่ได้เสพมันก็เกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาเรียกว่าปฏิฆะวิธีที่จะทำให้สองตัวนี้เบาบางลงก็ให้เราหมั่นพิจารณาร่างกายที่เราอยากจะเสพกามด้วยว่า สวยหรือไม่สวยน่ารักหรือไม่น่ารักวิธีจะเห็นว่ามันไม่น่ารักก็ต้องเห็นตอนที่มันตายเวลาร่างกายของคนที่เรารักตายไปนี้เรายังจะรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือแม้เชนั้นก็ให้ดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเข้าไปถ้าสามารถมองเห็นอวัยวะที่อยู่ใต้ผิวหนังได้เห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูก เห็นตับไตไส้พุงเห็นหบอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตก็จะทําให้การมาราคะนี้เบาบางลงได้ถ้าทําการมาราคะเบาบางลงปฏิฆะความอุดติดใจก็จะเบาบางลงแต่ยังไม่หมดเพียงแต่ทําให้มันเบาบางลงนี้ก็ได้สู่ชั้นที่สองคือชั้นพระสกิดาขามีแล้วถ้าได้ชั้นพระสกิดาคามีชั้นที่สองนี้ะ การเวียนว่ายตายเกิดก็จะเหลือเพียงชาติเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งเพราะยังมีความอยากเสพกามอยู่แต่มีความอยากน้อยกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้เจริญอสุภะเลยยังมีความอยากเสพกา ร, รอย่างเต็มร้อยอยู่ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติากลับมาเพื่อมาเสพกา ร, รมไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสามารถเห็นอสุภะได้ ถ้าเป็นพระสกิรดาคาเมนี่เห็นบางบางครั้งบางเวลาแล้วทำให้กามาราคากับปฏิฆะนี้เบาบางลงแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงเอกชาติเดียวเป็นอย่างมากแล้วถ้าจะขึ้นสู่ชั้นที่สามทีนี้ก็ต้องพิจารณาอสุภะตลอดเวลาเลยต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาเท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นบันไดสู่ชั้นที่สามได้ ทุกครั้งที่เกิดกามมารคะขึ้นมาก็เห็นอสุภะทันทีอยากจะเสกกามขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เห็นอสุภะทันทีพอเห็นอย่างนี้ปั๊บปฏิฆะก็จะหายไปกามมารคะก็จะหายไปแล้วความอยากจะเสกกามก็ไม่มีอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่เห็นน่่งกายจะเห็นอสุภะเสมอเห็นน่างกายของใครก็จะเห็นเป็นอสุภะไปทันที อันนี้ก็จะทำให้ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะว่าไม่มีความอยากที่จะเสพกามกับไข่แล้วเมื่อไม่มีความอยากจะเสบกามก็ไม่ต้องมีร่างกายอาณาคามีอะไรไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมแทนเป็นอยู่สวรรค์ที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องเสกกามถ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพนี้ยังเสกกามอยู่เทพนี้ยังเสพรูปเสียงกลิ่นดรสอยู่เพียงแต่เสกรูปเสียงกลิ่นรสแบบ ละเอียดที่เราเรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เป็นต้นเนียแต่ถ้าไม่มีการมราคะอยู่ในใจแล้วก็ไม่ไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพจะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมโลกมนุษย์ก็ไม่อยู่เพราะไม่ต้องการมีร่างกายโลกของเทวดาก็ไม่อยู่เพราะไม่ต้องการเสพกามก็ไปอยู่ในโลกที่ไม่มีการเสพกามก็คือพรมโลกนอกจากพรมโลกก็จะเดินขึ้นบันไดสู่ชั้นที่สี่คือ เข้าสู่ชั้นของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้ก็ยังมีสังโยชนกห้าข้อที่จะต้องละที่จะต้องตัดเนี่ยพระอนาคามีนี้ตัดสังโยชนได้ห้าข้อแรกพระสกิดาคาเมก็ทำสังโยชนข้อที่สี่ข้อที่ห้าให้เบาบางลงพระโสดาบันก็ทำสังโยชนสามข้อแรก ตัดสัสโยะสามข้อแรกได้หมดไปส่วนพระผู้ที่จะขึ้นไปเป็นพระอรหันต์คือพระอานาคามีก็ต้องจเจริญมากที่จะได้ตัดสังโยตอีกหข้อคื อ, อรูปราคะอรูปราคะอุทธจัสมาณนะแล้วก็อวิชชานี่เกิสังโยตอีกห้าข้อถึงจะทําให้ผู้ที่ต้องการที่จะ ไปถึงพาณิพานไปถึงชั้นที่สี่อริยบุคคลชั้นที่สี่คือชั้นพระอาหารหันต์นี่ต้องเจริญปัญญาเพื่อตัดรู ป, ปราคะความอยากในรูปปัจจานอารู ป, ปราคะความอยากในอรูปปัจจานความอยากถือตัวถือตนออเรียกประมานะความอยากที่จะหลุดพ้นคืออุทธัจจะ ความอยากจะหลุดพ้นโดยที่ไม่มีปัญญาก็จะทําให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาได้เป็นอุทธาจักขึ้นมาแล้วก็ละอวิชาคือความหลงความไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากในรูปราคะอรูปราคะความอยากถือเนื้อถือตัวถือตนว่าเป็นเหตุที่ทําให้จิตยังต้องทุกข์อยู่ พอพิจารณาด้วยปัญญาก็สามารถละความอยากต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปได้จิตก็จะขึ้นสู่โลกุตละธรรมชั้นที่สี่คือชั้นพระอรหันต์พอถึงชั้นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปก็เรียกว่ า, านิพานพระโสดาบันยังต้องกลับมาเกิดอีกเจ็ดชาติพระสกิราคามียังกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งพระ อนาคามีก็กลับมาเกิดในภพมรลกแต่พระอารหันต์นี้ไม่กลับมาเกิดในตายภพนี้แล้วไม่เกิดในกามาภพไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นอะไรทั้งนั้นพระอริยบุคคล น, นี้ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งนี้ไม่ไปเกิดในอบายปิดประตูบายได้อย่างท้าวอนก็ พอถึงชั้นที่สี่ชั้นพระอาหารหันต์ก็แสดงว่าได้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้เข้าสู่โล ก, กุตรละโลกแห่งการไม่การไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปโลกนี้เราเรียกว่านิพานคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือผลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น ถ้านับถือศาสนาอื่นนี้จะไม่มีใครสอนเรื่องอริยสัจสีเรื่องไตลักษ์เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะเท่านั้นที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เรางั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นชาวพุทธนี่จึงถือว่าเป็นโชคกลาภอันยิ่งใหญ่ แต่การที่จะทําโชคล้าวอันยิ่งใหญ่นี้ให้เกิดเป็นผลขึ้นมาได้นอกจากเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยถ้าเราไม่ปฏิบัติเป็นชาวพุทธเฉยๆชาวพุทธแบบในทะเบียนบ้านอย่างนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะชาวพุทธในทะเบียนบ้านเขาทําอะไรกันบ้างเขาก็ยังกินเหล้าเมายายัง เล่นการพ น, นันยังเที่ยวเตะเล่ร่อนอยังทําบาปทํากรรมอยู่บุญนานๆอาจจะทำสักครั้งสองครั้งเศีลนี้แทบจะไม่ค่อยรักษากันรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่สนใจส่วนเรื่องเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเรื่องภาวนานี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพวกที่พวกเล่พวกนี้เราไม่ถือว่าเป็นพุทธแท้เป็นพุทธในทะเบียนบ้านะ ผู้ที่จะเป็นผู้แทนนี่ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบทั้งหมดเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนได้สี่จุดสอบก็ต้องได้ร้อยเปอร์ซทานก็ต้องร้อยเศีลก็ต้องร้อยเอร์ซนตภาวนาก็ต้องร้อยเปอร์นตถึงจะได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงถึงจะได้บรรลุมรรคผลผนิพพานเนี่ยพวกที่เป็น พระอริยะเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมตรงนี้ก็เป็นพวกเกียรตินิยมทั้งนั้นเขาจึงได้รับมรรคผลนิพพานเป็นรางวัลพวกชาวพุทธที่ยังไม่ได้เกียรตินิยมนี้ก็ยังไปไม่ถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างมากก็คือสวรรค์ชั้นพรมหรือสวรรค์ชั้นเทพหรือการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าไม่เข่งเขาอาจจะ ต้องไปเกิดในอบายถ้าสอบตกพวกที่เรียนแล้วสอบตกก็คือพวกที่ต้องไปเกิดในอบายพวกที่เรียนได้สองจุดก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ก็ไปไม่ถึงระดับเกียรตินิยมยังไปไม่ถึงขั้นโล ก, กุตลรธรรมเพราะว่ายัางไม่ทุ่มเทชีวิตให้กับการนั่งเรียนดูเด็กที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการนั่งเรียนไปดูเด็กที่เรียนที่เตมุดม เขาไม่ทำอะไรเก็มีแต่เรียนหนังสือเรียนพิเศษเรียนก่อนเรียนข้ามชั้นไปก่อนแล้่ะตอนนี้อยู่ม .3 แต่เรียนชั้นม .4 แล้วพวกนี้เขาไปก่อนเขาไปไกลเนีพอเวลาสอบของระดับม .3 เขาก็ได้เต็มร้อยเพราะว่าเขาผ่านเขาเรียนเหนือกว่าชั้นม .3 แล้วเขาอยู่ม .4 แล้วพอไปสอบข้อสอบของม .3 เขาก็อสอบได้อย่างสบายเนี่ยพวกนี้แหละที่จะได้ไปสู่ ได้รับเกียรตินิยมเวลาเรียนหนังสือแล้วถ้าอยากจะขอทุนก็จะเป็นผู้ที่จะได้รับทุนการเรียนต่างๆพวกที่จะได้รับมรรคผลนิพพานก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มร้อยที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเนี่ยนี่แหละคือผู้ที่จะได้รับมรรคผลผนิพพานผู้ที่ปฏิบัติตามอารมณ์วันดีคืนดีก็รักษาศีลวันดีคืนดีก็ทำบุญวันไหนขี้เกียจก็ไม่ทำวันไหนพี่เพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไปมีเพื่อนมาชวนไปทำบาปก็ไป ถ้าไปตามอารมณ์แล้วไม่มีวันที่จะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่จะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ต้องไปตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปตามอารมณ์ต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆจะได้รู้ว่าตอนนี้เรากาลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทาหรือว่าเรากำลังกระทำตามอารมณ์ของเราเรากำลังไปเที่ยวหรือเรากาลังไปวัดเนี่ย เวลาไปไหนถามตัวเองอยู่ว่าเรากาลังไปไหนกันแนะ่เรากาลังไปเวียนว่ายตายเกิดกันหรือเรากาลังไปสู่มรรคผลนิพพานกันให้ถามตัวเองอย่างนี้ต่อการกระทำทุกขณะที่เรากาลังทำอยู่ด้วยการเปิดแผนที่คือคาสอนของพระพุทธเจ้ามาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอย่างนี้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าและภาษาโลกได้ปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติเรารีบ เข้าเกียร์ถอยได้แล้วคนกลับรถได้นะพระพุทธเจ้าชวนเราไปเที่ยวอินเดียอเปล่าเอายพระพุทธเจ้าชวนให้เราไปปีกวิวเวกไปทําใจให้สงบไปเจริญปัญญาถามตัวเองอยู่นี่เลยต่อการกระทําของเราว่ากําลังไปในทิศทางไหนทิศทางของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือทิศทางของปัญหาความอยากถ้าเรามีการกระทําอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่า การเดินทางของเราจะอยู่ในล่องในรอยอยู่ในธรรมนองครองธรรมที่จะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้นไปสู่มรรคผลนิพพานตามลำดับต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบให้กับเราได้นอกจากพระพุทธศาสนาและผู้ที่จะไปรับรางวัล น, นี้จากพระพุทธศาสนาก็ไม่มีใครไปรับแทนเราได้เราต้องเป็นผู้ไปรับเอง ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เองสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนดังนั้นก็ขอให้ท่านมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะนอกเหนือจากศรัทธาความเชื่อความนับถือในพระพุทธศาสนาแล้วต้องมีการปฏิบัติมีความเพียรพยายามถึงจะสามารถทำให้เราได้รับประโยชนจากพระพุทธศาสนาได้ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยาทาวาเรวาหาปุราปาลิกปุเรนติสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตานางอุปกักปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดป้าเมวาสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนาหระโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพิติิโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโน จตารโหทมาวทานติอายุวโนสุขังภาลาลำดัำดบต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมวันนี้อาจจะมีคำถามทางภาษาอังกฤษเข้ามาอีกเพราะมีชาวต่างชาติมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็เลยต้องขอแบ่งเวลาให้กับชาวต่างชาติบ้าง เราคนไทยเราฟังอยู่ทุกวันทุกเวลาผู้ที่ส่งคำถามถ้าวันนี้หรือเมื่อวานนี้ไม่ได้ถามก็รอส่งพรุ่งนี้ก็ได้เพราะพรุ่งนี้ก็คงจะมีเวลาวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่สามร้อยสิบสามครับแล้วก็เจ็ดสิบสี่คำถามแรกสากถามนะครับ คำถามฝางถามนะครับขันห้าเกิดดับพร้อมกันหรือไม่เกิดได้อย่างไรดับอย่างไรมีวิธีพิจารณาอย่างไรคือขันห้านี่มันไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ว่ามันมันมันหายไปมันเพียงแต่มันเปลี่ยนไปเช่นร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ตายพอตายมันก็หายไปมันมาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ แล้เดียวมันก็กลับไปสู่ธาตุสีดิ่นน้ำลมไฟเราก็เรียกว่ามันไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายส่วนเวทนาคือความรู้สึกนี้มันก็ไม่เที่ยงตรงที่มันไม่เป็นเหมือนเดิมมันเปลี่ยนมันมีสามแบบมันมีสุขมีทุกข์ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เรามันมักจะเป็นพวกวิปลาสชอบอยากให้ของที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยน จะไม่มีแต่สุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวใช่ไหมอยากจะขอความสุขกันตลอดเวลาแต่ไม่มองความจริงว่ามันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่มันจากสุขมาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์จากไม่สุขไม่ทุกข์มาเป็นทุกข์จากทุกข์ก็กลับไปเป็นสุขเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าไม่เที่ยงแบบนี้ไม่ใช่เกิดดับเกิดดับแล้วก็ คือกามีการเปลี่ยนแปลงคําว่าไม่เที่ยงนี่แปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการดับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งการเกิดก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งมันก็ปนอยู่ด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันดับแล้วมันหายไปไหนอย่างเวทนามันไม่มีวันหายมันก็มีการเกิดมันก็มีเปลี่ยนการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับของสุขเกิดดับของทุกข์เนี่ยมันก็พอทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นมาพอสุขดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมา มันก็เรียกว่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายมันก็ไม่ได้หายไปนะมันก็หายมันมาจากดินน้ามลมไฟเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟอย่างที่เรียกว่าไม่เที่ยงคำถามจากคุณปิยพลนะครับหากยังมีอารมณ์โกรธปรากฏอยู่แต่ไม่ได้ยึดถือในอารมณ์โกรดนั้นคือโกรธแล้วจบไม่ได้คิดแค้นหรือนามาคิดต่ออย่างนี้ยังต้องฝึก หยุดหรือระงับความโกรดนั้นไหมคะและหากยังเป็นอยู่จะเป็นการนํามาให้เกิดภพชาติใหม่คะก็ยังมีโกรธอยู่ก็ยังมีความอยากอยู่ถ้าไม่โกรธถ้าไม่อยากแล้วมันจะไม่โกรธที่โกรธเพราะอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําก็โกรธขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากจะไม่มีความโกรธถ้าไม่ได้อยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เขาจะทําไม่ทําเราจะไม่โกรธ จะคุณเกียรติสัตกนะครับเวลาภาวนาพุทโธพุทโธไปสักหน่อยใจจะแวบไปคิดพอรู้ว่าใจไปคิดตอนนั้นเรียกว่ามีสติใช่ไหมครับแล้วก็เห็นความคิดนั้นดับไปเห็นอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องทําต่อคือพยายามพุทโธต่อไปอใชอ่ถ้าไม่เห็นมันก็จะคิดไปเรื่อยแสดงว่าเพลิดสติพอเห็นว่ามันคิดแสดงว่าได้สติมีสติแล้วก็หยุดคิดกรรมพุทโธพุทโธ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม น, นะครับทราบว่าความคิดทำให้เกิดทุกข์แต่หยุดความคิดไม่ได้จะทำอย่างไรได้บ้างเจ้าคะเพราะไม่จเจริญพุโทโธไม่หมันจเจริญพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี้เป็ น, เ, ปนเหมือนตัวเบรกความคิดพอเวลาเราพุโทโธพุโทโธความคิดอย่างอื่นก็ต้องหยุดไปค ำ, คำถามนะครับข้อที่หนึ่ง จริตไหนควรเป็นอ่จริตไหนควรจะบริการพุทโธและจริตไหนควรจะบริกรรพุทโธธรโมสังโฆแล้วแต่เราต้องค้นดูเอาตัวเรามันมีหลายจริตบางเวลาก็โกรธก็เป็นโทสะจริตเวลาโกรธใช้พุทโธก็ได้เวลาโกรธก็พุทโธไปมันก็หยุดได้พุทโธนี้มันใช้ได้กับทุกจริตเลยนะข้อที่สองจริตไหนควรดูลมหายใจครับ จะริดไหนก็ได้ขอให้มีพุโทโธแล้วมันได้หมดเนะี่ยการดูลบดูอาัาช้านี้ต้องการดูตอนที่เราอยากจะหยุดพุโทโธเพราะอาจจะเหนื่อยบริกรรมพุโทโธแล้วเหนื่อยแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วก็นั่งดูลมได้แต่ถ้าเราไม่ได้นั่งเฉยๆอย่าไปดูลมดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนถ้าเราไม่อยากจะบริกรรมพุโทโธเราก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ จะคุณสุรชัยนะครับนั่งสมาธิครั้งละหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่ากานั่งจิตฟุ้งซ่านบ้างแต่มีสติอยู่กับพุโทโธมากกว่าฟุง้งเวลารู้ว่าจิตฟุ้งผมจะดึงกลับมาพุโทโธใหม่ถามว่านั่งสมาธิภายในหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าจะได้อนิสง์ของการนั่งสมาธิไหมครับมันอนิสง์มันอยู่ที่ว่ามันสงบไม่สงบมันไม่ได้อยู่ที่เวลาบางคนนั่งหห้านาทีจิตก็สงบ พอสงบก็นั่งได้ยาวไปเป็นชั่วโมงเลยอันนี้ได้อันนี้สงศ์อันนี้สง์นนสงคือความสงบถ้านั่งแล้วไม่สงบจิตยังไม่รวมยังถือว่ายังไม่ได้ผลการละลึกรู้กายว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่แบบรวมๆหรือละลึกรู้ใจว่ากำลังรู้สึกหรือคิดอะไรแบบรวมๆนั้นเรียกว่าการเจริญสติชื่ออะไรครับแล้วการมีสติอยู่กับสิ่งที่ทาอยู่เหมือนเพ่ง เช่นมือจับของนี้เรียกว่าการเจริญสติอะไรครับการแย ก, กตาสติการดูร่างกายถ้าดูความคิดก็เรียกว่าจิตตานุ ป, ปัสสนานุ ป, ปัสสติปัฏฐานการดูจิตดูความคิดแต่เบื้องต้นนี้อย่าไปดูจิตดูความคิดเพราะเราไม่มีกําลังที่จะไปไปหยุดความคิดได้การดูนี่เราต้องการเบื้องต้นต้องการหยุดความคิด ท่านพรธเจ้าถึงสอนให้ดูร่างกายหรือดูลมหายใจถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจถ้าไม่ได้นั่งเฉยๆกำลังทำงานอยู่ทำอะไรอยู่ก็ให้ดูร่างกายหรือให้ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้แล้วถึงค่อยไปดูความคิดอีกทีดูว่าคิดถูกหรือคิดผิดคิดไม่ถูกก็ให้หยุดมันถ้าคิดถูกก็สนับสนุนมันให้คิด ฉันคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานี่สนับสนุนมันให้คิดบ่อยๆถ้าคิดว่าร่างกายไม่สวยงามเป็นอสุภะนี่ให้คิดอย่างนี้สนับสนุนมันแต่ถ้าไปคิดว่าร่างกายสวยงามนี้ให้หยุดคิดเสียเพราะมันเป็นความหลงถ้าคิดว่ามีราบยศเสร็เสริจแล้วจะมีความสุขนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นความคิดไม่ดีเป็นความคิดที่ผิดก็ต้องหยุดมันแต่จะหยุดมันได้ก็ต้องมีสติก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อน ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องจิตทีหลังเรื่องต้นให้มาที่ร่างกายก่อนมาดูร่างกายก่อนแล้วมาดูเวทนาก่อนแล้วก็ไปดูจิตเนี่ยคำถามจากคุณบีเอนะครับอยากทราบว่าเวลาที่เรารู้สึกเฉยเฉยเป็นเวทนาหรือเปล่าคะแล้วเวลาเกิดเวทนาควรทําอย่างไรเวทนามีตลอดเวลาถ้าเฉยเฉยก็เรียกวที่เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกเวทนา ตอนนี้ไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาถ้าหิวข้าวขึ้นมาก็กลายเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาพอได้กินข้าวอิ่มก็กลายเป็นสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาอตอนที่ไม่หิวไม่อิ่มก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์กเวทนาเน้นเรามีเวทนาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ของทางร่างกายเอาละนะ<ม>แล้วนะมีบทแล้วนะ